การนั่งสมาธิหรือสาการที่เราไปต้องทำจิตที่มีสมาธิก่อนแล้วค่อยจเจรินปัญญาพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนั้นก็เป็นทางสายหนึ่งกันที่ที่เมนกนารทำสมาธิก่อนแล้วก็พิจารณาใจรับปิจนา ของร่างกาย ใ, ให้มันเกิดเป็นญานั่นก็เป็นทางที่ในสายร่งางกาในสายที่ในทำสมาธิเขาใช่ค่ัแต่ท่านจะพูดถึงว่าคนสมัยเราในปัจจุบันแ่สามารถทำสมาธิจนท่านไวชฌานฌานก็คือสมาธิระดับที่หนึ่งระดับที่สองจนท่านถงึงจาดับที่ แ, แปได้หรป่า แค่จิต ด, ดวมเป็นสมาธิเกิดความสงบช่วงคราวเนี่ยผู้ทือชนหรือว่าคนธรรมดาที่อยู่ในเมืองอยู่ในการงานต่ตตางๆทำได้ยากเราะก็สมาธิจิตที่ต้องอาศัยความสงบที่ต่อเนื่องนะต้องทอําในต่อเนื่องต้องถนอมนะต้องรักษาต้องประคองเยอะมากนะ อตากทำมาเองแต่ก่อนเขาไปดูสมาธิเราตอนตั้งแต่เป็นเด็กหรือว่าตอนเป็นนักศึกษาก็เคยทําสมาธิอยู่บ้างแต่ถ้าเรา ท, ทําในชีวิตประจำวันก็มันก็ดีเหมือนกันนะได้ทำมาแล้วสิด20นาทีก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนขึ้นมาบางวันกระยันก็ทำบ้างจิตก็ได้ได้พักผ่อนบ้างนะแต่ถามว่ามันเพียงพอ ในการที่จะทำให้เร า, เ, ราเกิดปัญญาจริงๆไหมมันก็ไม่เกียงพอเพราะว่าในชีวิตประจำวันมันไม่สามารถทสมาธิได้เพราะว่าเราเรียน ก, ก็ดีเราทำการงานก็ดีมันจิตันฟ้่านกับสิ่งที่ที่เรากเกี่ยวข้องนะหรือว่าพอเราเดินกับทางโลกมันก็มีความสนสนามีความเเพขึ้น การสมาธินะ่ะมันก็ไม่เพียงพอ ห, อหรือพอเราจะมาทำในรูปแบบใช้นน่สมาธิมันก็จิตก็สงบได้ยากนะเพราะว่าแต่ระวันมันมีความฟุ้งซ่านหลายอยานะ่างมันก็นะยากที่จะสงบ ต, ตอนนั้นได้มาบวยเองนันแหละมันเวลามากขึ้นมันมีอ่ สถานที่ที่สงบอยู่ในกุตติใน้ามีเวลาในการปฏิบัติธรรมยิ่ขึ้นใครต น, นั้นะัะตื่นสามารถเห็นผลของการทำสมาธิจนจิตสงบได้แต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำนะมันเข้าไปต่อไม่เป็นเหมือนกันแต่ก่อนก็เคยกำรวจเป็นใหม่ ส่วนใก็นั่งสมาธิดูลงหายใจอ่านาปานสติอยู Now, ่ในสติหรือเดินจงกรมบ้างมันก็จิตแต่ก่อนที่เคยปรุงสร้างมากๆมัน so, ก็สามารถสงบลงได้แต่เราก็ไปต่อไม่เป็นนับางทีตามดูลงหายใจตอนแรกก็เห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจหยาบบ้างลมหายใจละเอียดบ้าง แต่สุดท้ายมันรู้สึกเหมือนไม่มีลมหายใจแต่มันก็แต่ในทิดสติเราก็รู้แหละวมื่าเราเล่นหายใจอยู่เพราะถ้าไม่หายใจมันคมก็คงตายเนาะแต่มันมันไม่สามารถรู้สึกถึงลมเพราะว่าความลมหายใจมันละเอียดมากๆจริงมันนิ่มากๆมีลมก็เหมือนไม่มีะมันเป็นอยู่กับความน่าเป็อยู่กับความเบาเปอยู่กับความสบายของ ของสมาธิบางทีก็เกิดนิมิตนะเกิดนิมิตตัวลอยตัวใหญนะ่หรือว่าไปเห็นอะไรบางอย่างบ้างนะแต่ก็มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรเป็นมากตว่านั้นหรอกนะเพราะว่าทา่ทานสมาธิคนนั้นก็คายออกมานะเราถ้าเราติดใจเราก็มันดันหรือคันต่อไปเราก็ยังอยากจะนั่งและให ไม่ได้อารมณ์แบบนั้นอีกนะวันใดถ้าทำได้แบบนั้นก็ว่าดนะีถ้าทำได้นานกว่าเก่าก็ว่าดีมากแต่ถ้าวันใดทํำไม่ได้เช่นนั้นนะจิตคงสร้างหรือว่าเวทนานมากผ่านเวทนาทางกายไม่ได้ก็จิตก็ไม่สงบไม่เป็นสมาธิเราก็ว่าเราปฏิบัติไม่ดีมันมีแต่ คล้ายๆทาที่เกิดสมาธิได้กับทำที่เกิดสมาธิไม่ได้มันก็เลยมีว่ า, วาจะเห็นดีมากว่าเห็นไม่ดีมากว่าจะเองเก่งมากว่าจะเองแย่มากวันวันก็ทําแบบนั้นแต่ก็โชคดีที่ว่าได้มาอยู่ในวันที่วันปสัสสกโ ต, โตนะก็มีการสอนเรือเ่องการเกิดตัวติ มีรูปแบบการเคลื่อนไหวอยู่นี่แหละะแต่ก่อนก็เห็นก็ไม่ไม่เคยรู้ว่ามีรูปแบบการเต้นสติแบบแนวเคื่นไหวแบบแนวหลบก้อนเกล็ดจากท่านจาหูไปอยู่ที่รู่ก็จะเห็นรูปแบบการเต้นรติแบบนี้แต่ได้ก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมทําไมต้องนั่งยกมือแบบนี้ด้วยหรือว่ารูปแบบไปนั่งยืมมือแม้จเป็นรูปแบบที่ พระพุทธเจ้าท่สอนไว้จริงหรือเราคิดว่าเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องที่อในพุทธศาสนาจริงหรือบบเปล่าก็เกิดความสงสัยแต่พอได้ทานก็คือหลวงอเขียนว่าให้ฟังหลวงพ่อคำเขียนว่าแต่หลวงพ่อเขียนนั้นก็ท่านไม้อยูอย่วัดก็เลยเกิดความสงสัยไม่ได้แ น, น, น, น่ใจนะก็ได้ อ่านมาจะอิปทานระสุนเนี่ยแหละเพื่อ แ, แก้ความสงสัยแต่นั้นก็ไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์อยู่ที่วัดก็จะอ่านบทที่เราได้สวด น, นะครับสรรพชินญาบอกพระก็ถือใครทําความรู้สึกตัวอ๋อครู้าอาจาราสอนไวนะในการทําความรู้สึกตัวในการผู้แขงเข้าผู้แขงออกพเพฟูอวัยวะ เข้ากลัวปบะอกในการเดินไปข้างหน้าในการเอออขขอดินข่อยความข้างหลังหรือว่าไมียาวดย่อยอย่างตานนั้นเด็นตาก็ในการมึงหงสจีวรในการทงสัมติมีสัมคติในการทรงบาตรก็คือถือบาตรหรือยัวดย่อยการกินดื่มขับถายลิ้รส หรือว่าพูดคุยก็คือหลักสัมพันธ์คือการมีความรู้สึกตัวนะในเรีรเ่กงต่างๆนั้นวิธีการที่ตมงนัเขียนพาเราทำาันไปยกมือสิ่ง จ, งจดเป็นหวาดก็ดีการเดินจงกมก็ดีหรือว่าท่านกสอนให้ไม่ได้ทำอย่างอื่ก็ดีนะก็ไม่มีความรู้สึกตัวมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นติแตกใหม่ เลยป็นสิ่งที่ผิดเพนะียนจากที่พงะเจ้าเคยสอนนะเราเองก็เลยเกิดความแน่ใจนะเกิดความมั่นใจว่าลูกแบบอันนี้นมันมันไม่ได้ผิดนะจากหลักอสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ก็ยังไม่ค่อยโฟมใจในการปฏิบัติเท่าะหั่ก็ยังนะชอบทาสมาธิ แต่บางครั้งนะก็ลองทำแบบนี้บ้างสลับกันไปสลับกันมานะก็ทําแต่ก็ชอบเลยเ็มกองติด่ะับนั่ ง, งโนงยนหรือว่าเราต้องไม่เคยแต่ตอนก็อยากทด่ว่านะั้ทีเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็จะคิดถึงสมาธิเราไม่ค่อยรู้จักคำว่าสติเราไม่ค่อยรู้จักคำว่าความรู้สึกตัว เราคิดว่าคนทั่วไปต้อมีความรู้สึกตัวมีสตินะถ้าคนไม่มีสติเขาคือเราก็เรียกว่าคนบ้างสติแตกกนะ็ต้องไปรักษานะโรคประสาทโรคจิตแต่กินสตินในทางทำแตกแต่างจากสติทางโลกพอสมควรนะสนะติทางโลกเนะี่ยคือถ้าเราไม่ป่วยทางจิตก็นนคือเร า, เ ร, าเรียกว่าสติดีนะ แต่ที่จริงสติในทางธรรมเนี่ยเขาคือการที่อถ้าเราไม่สามารถเริ่มรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายใจปัจจุบันได้ถือว่าเราขาดสติเช่านั้นหลยเช่นอย่างที่พูดประจำคือการที่เราล้มหลงไปคิดอหลงไปอยู่ในความคิดเวลาคิดเราต้องตื่นจาความคิดหรือเวลามีอารมณ์ อารมณ์คือความรู้สึกมันเกิดขึ้นในจิตใใจนะควา ม, ม, ใใวามเบื่ะก็ดีความพอใจก็ดีความไม่พอใจก็ดีอะไรต่างๆเกิดขึ้นในจิตเนี่ยเราตกล ง, งเข้าไปตรงกับมันนะลงเข้าไปอยู่กับมันลงเข้าไปเซ็งกับอารมณ์นั้นไม่ว่าอารมณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ตกเข้าไปนะนี่ยคือจิตที่ที่เรา ขติครซึ่งคนหลายคนจะรู้ว่าอันนี้แหละเรียกว่าขาดตติเพราะคนคนไหนจะมองว่าเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติเรื่องที่คนทั่วไปก็ก็เป็นแต่นั้นนี่แหละคือสาเหตุที่สำคัญที่ทําให้เราเกิดความสุขความทุกข์เกิดอารมณ์ยินดียินร้ายเกิดความพอใจไม่พอใจเพราะว่าเรามีรู้ทันเวลาเรา หนงเข้าไปอนู่ในอารมณ์หรือเราไหลไปตามความคิดนี่แหะมันเป็นสายเอที่สําคัญนะเพราะว่าคนถ้าเราไม่มีสติเราจะไหลเข้าไปกับสิ่งที่คิดไหลไปกับอารมณ์ได้ได้รวดเรมากนะถ้าใครไม่ไดสตินะจะไม่มีทางเกงไม่มีทางเก่งอารมณ์พวกนี้เลยนะเพราะว่า เราจะเคยจิตในการไปอยู่ประมาณหรือการทำสมาธิมันเป็นแค่การออกจากอารมณ์ชั่วข่าวคือเราทําเป็นปสนใจอารมณ์สักอย่างนะให้จิตตั้งมันให้จิตแน่วแน่ให้จิตเด็ดเดี่ยวอย่าอารมณ์สักอย่า ง, ง, ง, างแต่เป็นคำวอร์ดยทําก็ดีจะเป็นดูลงหายใจอย่างเดียวก็ดีม น, นะจิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นมันก็เลยดืด้อนะ ไม่สนใจความคิดอะไรต่างๆจิตก็สงบได้แต่พอออกจากสมาธิมีความคิดเนรมงขึ้นมาแล้วก็ไปเสกเหมือนเดิการเจริญสติเนี่ยเราเรียนรู้อาหมู์นะเราฝึกเือจะเรียนรู้จักเาราเรียนรู้จักสภาวะมันตรงกับคาสอนเขาจะได้จ้าวตรงไหนพรจะบอกว่าทุก คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไม่ใช่คือสิ่งที่เราหนุหรือว่าโผหรือวันนี้ยนะติยี่นยันทั้นสองว่ากายใจเนะี่ยคือส่วนตัทุ้ขเราควรที่จะต้องเรียนรู้จัดกุ๊กนะอะไรที่มันมีความไม่พอใจไม่ชอบเนะียเราจะเรียนรู้มันไหมแช่เวลาปฏิบัติธรรมต้ ง, งมันคืออะ เ AH ราอยู่กับมันได้ไหมการปฏิบัติธรรมแล้วมันปุงทรางเราเราไม่ชอบมันใช่ไหมเราก็เลยพยายามที่อยากจะผักใส่เขาหรือทํายังไงก็ได้ให้มันไม่ปุงทร้างนี่อันนี้ไม่ใช่การเรียนรู้นะแต่คือการผักใสการผักใสก็เกิดจากการไม่พอใจไม่พอใจไม่ชอบ แนบางทีแบบปฏิบัติทรรมหลายคนจะไม่พอใจที่มันฟุ้งซ่าไม่ชอบที่มันคิดนะรู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ในการเจอปฏิัติแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญนะที่จะทำให้เรามีพัฒนาการนะคืออะไรก็คือว่าความคิดหรือลมเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของมันเองนะ เราไม่ตัง้งใจที่มันเกิดขึ้นมาเองเอารมณก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาเองเราลองฝึกเรียนรู้ที่อยู่กับเขานะโดยไม่ต้องผักใส่ไม่ต้องปฏิเสธเขาการเจริญสตินะเร า, าจะฝึกในการเรียนรู้อยู่กับสนะิ่ที่เกิดขึคคนดน้นกะับการกับใจไม่ได้นะไม่ใช่ผักใส่ อันนี้เป็นต่างที่สำคัญเลนะด่างที่สำคัญเลยมันถ้าเราเรียนรู้อยู่ของเขาได้แยกออกมาเห็นว่าอารมณ์ก็เป็นส่วนอารมณ์นะความคิดก็เป็นส่วนความคิดจิตก็เป็นส่วนของจิตร่างกายก็เป็นส่วนของร่างกายถ้าเป็นคนละส่วนกันเมื่อนั้นถ้าเราสามารถแยกได้แยกตัวบางทายกับใจแยกตัว่าง ความคิดกับจิตไดนะ้เราจะอยู่กับโลกนะอยู่ไดนะ้แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้อยู่เรานี้นะแต่าปฏิบัติธรรมถ้าเราเน้นแค่ความสงบเน้นแะค่มันไม่คิดนะมันก็มีความสุข ด, ดีหรอแต่ถามว่าในชีวิตจริงของเราเนะี่ยเราสามารถเลือกนะที่จะทําให้ไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดได้หรือเปล่า มันไม่ได้นะใช่ไหมแต่เรา ง, งานก็มีคนสรรเสริญมีคนเินตาเวลาทํางานก็มีปัญหามษษีอุปสรรคมันไม่ใช่ล า, าบเลื่อยลาบเลียงตลอดใชไหมหรือชีวิตจริงของเราเราเกี่ยวข้องกับผู้คนกับญาติพี่น้องก็มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ที่ป่วยหรือตัวเราเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไอ้พวกนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิด ความมีตกบ้างความฟุ้งซานบ้างความคอยใจบ้างความไม่คอใจบ้างเราไม่สา ม, มารถเลือกได้นะนะแต่ตา่างที่เราฝึกปฏิบัติในใจเรียนรู้อยู่กับอารมณ์เนี่ยมันจะทําให้เราพอชีวิตจริงพอมีอารมณ์พ้นแน่เสร็ขึ้นมานะเราจะอยู่กรบมันได้เพราะชีวิตจริงนะเราไม่สามารถที่จะขับใส่อารมณ์ออกไป ไม่สามารถพับใส่คำพูดสรรเสริญนทาออกไปได้ไม่สามารถเลือกได้ว่าชีวิตนี้มันต้องมีแต่ความราบเรื่อยห้ามมีอุปสรรคเราไม่สามารถเลือกได้เลยนะเห็นไหมนั่นนะถ้าเราเรียนรู้ที่อยู่กับนะัภาวะที่มันเป็นจริงเนี่ยมันจะเห็นว่ามันอยู่ได้เนาะเราจะเห็นเราจะมีสติปัญญาเห็นว่า ปัญหาก็ส่วนหนึ่งนะความคุกใจเป็นส่วนปัญหาเป็นเรื่องธรรมดานะที่อยู่ในโลกนี้ก็ต้องเจอแต่ความคุกใจนะคือสิท่งที่เราวางใจได้ผิดเองเข้าใจไหมเช่นไม่สบายนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายทำ ง, งานก็มีอุปสรรคนะมีคนไม่เข้าใจบ้าง อันนี้ถ้านเรามองไปเรื่องธรรมดาแต่ทุกใจเนี่ยมันไม่ธรรมดาเพราะเราเหลงนี่เองนะแล้วก็เห็นใช่ไหมว่าบางคนป่วยเหมือนกันนะแต่บางคนป่วยแล้วก็ทุกใจนะบางคนป่วยแล้วก็ไม่ค่อยทุกใจหรือว่าไม่ทุกใจเลยก็มี <ừ. S 2> บางคนเวลาไปเจอปัญหาเรื่องการณ์นนะ บางคนแก้ปัญหาไปพร้อมกับการที่โวยวายหรือเครียดนอนไม่หลับแต่บางคนก็แก้ปัญหาไปไม่ได้โวยวายไม่ได้เครียดใจก็สมองดีอันนี้คือความแตกตา่างที่มนุษย์เราเจอเหมือนกันแต่ป่ว่าการรับมือมันมาแตกต่างไปนั้นที่จริงธรรมะนะ ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมเราทำบุญเพื่อหวังว่าจะไม่เจอปัญหาเพื่อหวังว่าชีวิตเราจะไม่เจออุปสรรคเพื่อหวังว่าร่างกายเราจะไม่ไม่เจ็บหนักหรือเพื่อหวังว่าเราจะตายแบบไม่ทรมานถ้าใครทำบุญหรือปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังปัจจัยนาเช่นนั้นอยู่นะก็ยังถือว่า ยังตั้งคาปัจหาไม่ตรงนะแม้จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะคาดหวังนะแต่มันก็มันเป็นเรื่องของกรรมนะไม่ใช่เรื่องความความหวังนะจ๊การคือผลของก็คือการกระบำของเรานี่แหละนะเมื่อทาไปแล้วมันก็เกิดผลจะเกิดผลอย่างไรเราก็เรืองไม่ได้นะอันนี้คือเรื่องเรื่องอย่า ง, ง, งร่างกรรมนะ เราเลือกไม่ได e ้ครับว <mom> <man> ่าเราจะแก่แบบไหนเรจะเจงแบบไหนเราจะตายแบบไหนเราจะเจอคนสัณเสริญคนมิทานแบบไหนเราเลือกไม่ได้นะะเพราะแม้แต่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าเองนะท่านก็ยังเลี่ยมคนมิทานไม่ได้ก็เรี่ยกคนทําร้ายไม่ได้หรือพระอรหันบางโลก ท่านต็เรียกที่จะตายในแบบไม่ทรมานไม่ได้นะเขาถูกคนฆ่าบ้างถูกชังเหยียบบ้างถูกวลวปีบ้างก็มีนะอันนี้เป็นเรื่องของกรรมนะไม่ใช่เรื่องของใจนะเรื่องของกา ร, รอาจจะเจอเคราะอะไรอาจจเจออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งสาคัญจิตใจไม่ถูกสามารถทําได้ เราจะเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือปัญหาภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงแต่ความทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าควจิตเาเผลอเราไหลไปอยู่กับความคิดความทุกข์ใจเนี่ยเรียกว่าขาดสติเราหลงไปแล้วพอมีสติมันจะถอนตัวเองออกมาอ่เป็นข้อเหตุว่าเราไหลไปเนี่ย ถ้าเราฝึกการเจริญสติทันนี้เรื่อยๆมันจะทําให้เราอยู่กับอารมณ์อยู่กับความคิดอยู่กับสิ่งที่เกิดึกับกายกับใจได้นะโดยที่ไม่เข้าไปผสมไม่เข้าไปเกณฑด้วยเล้นบาทีนี้แหละคือทางทางที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์จริงๆคือแบบนี้นะเราต้องฝึกในการเรียนรู้นะไม่ใช่ฝึกในการหลบฝึกในการได้นนะ เราต้องเรียนรู้อยู่กับความจีนที่เกิดขึ้นตามกายตามใจนะไม่ต้องไปหลงไปเรีย่ยงว่าเป็นแบบไหนบางนะทีธรรมดาบางทีปฏิบัติธรรมบางทีมันคิรรดเราก็ไม่ชอบนะบางทีมันง่วงนะ น, นะ น, นอนมันเหือยเราก็ไม่ปล่อยใจนะเราก็ปอใจถ้าปฏิบัติแล้วมเพินปฏิบัติแล้วรรมนไม่ง่วง ปฏิบัติถ้ามันสงนะมันเราจะชอบนะถ้าปัจิบัติอะไหนนั้นมันมันดีก็ชอบปัจิบัติถ้ามันซึมมันเหลือก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบถ้าใครยังรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแบบนี้นะหรือหรือว่ายังวางใจด้ว้กับนะถ้าสคนที่ปางใ่ไม่ถูกนะอะไรจะเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นแค่ดูหรือถ้าเราเรียนรู้ที่จะ อยู่กับเขาให้ได้นีมันจะทําให้เราเกิดสติปัญญาขึ้นนะเอออะไรเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่เนาะเค่อนแคลนตังเกตดูไนี่ยตอนี้จิตมันไหลอยู่กับอารมณ์หรือว่าจิตมันเป็นผู้ดูอยู่เนาะตอนนี้กายเส้นใหมันรู้อยู่หรือเปล่านะมันถ้าเราออกมาเป็นผู้ดูกายก็ดีหรือรู้ทันเวลาจิตมันไหล ไปอนความคิดอยู่อารมณ์ก็ดีนะแค่นี้ก็พอละนะยิ่งถ้าเราเห็นปฏิเตนี้เบี่ยวย์นะการที่คิดเบี่อย์การที่หลงเบี่อย์การที่มีอะไรมากระทบเบี่ยวย์กับยิ่งสนุก ม, มันจะต่างกันนะแต่ก่อนเราไม่สนุกเราไม่ชอบแต่พอเจอปฏิไปเรื่อ น, นะมันเห็นเป็นเรื่องสนุกนะ สนุกที่อะไรสนุกที่เข็นใจมันเปลี่ยนสนุกที่เข็นว่ามันบังคับไม่ได้แต่สนุกที่มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เรากินไปจมกับมันได้ก็เลยพอเรารู้ทันมันก็หลอกไม่ได้พอเราเห็นแล้วมันก็กลับมารู้สึชัวได้ไมนจะเกิดอะไรซึ่งก็แล้วแต่นะแต่เราพอเราเห็นแล้วเออมันก็มันทําอะไรไม่ได้นะเหมือเรา มันเราเล่เกมเล่นอะไรก็แล้วแต่เนาะพอลองจับเทคนิคจับอะไรต่างๆรูปแบบก็ได้นะมันเคลื่อนตไปนะคนจะมาบอกเราเราก็รู้ทางนะเรารู้แล้วเขจะมาไม้ไหนล้วสนุกนะพอเราเล่นเกมเล่นกีฬาหรือแข่งอะไรก็แล้วแต่พอเรารู้ทางกู้แข่งพอเราจับไตพอเราเหนือเขาเนี่ยมันสนุกนะเพราะว่าอะไร ประธานเขาเขาหลอกไม่ได <f dragging> ้แ <sympath> ล <icking> ้วนะเ่ารู้ทางเขาแล้วนะเนี่ยจิตเพ้่เหมือนกันนะเวลาจิตมันมีสตินะพอเก็รมันมาหลอกเลิ่เห็นแล้วนะอ่ามันหลอกไม่ได้มันจะเกิดจิตที่มันยิ้ขึ้นในใจนะยิ้มอะไรยิ้มยอกเกเยิ้เย้อยเกเรนะมันพอใจอยู่ข้างใน แต่ใหม่ก็ย live ิ้มแล้วก็คงพอใจเหมือนกันนะมันเกิดมานั่นเกิดทิ้งทีขึ้นมาบ้างนีแต่พอที่มันไหวมันก็จะเริดมก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเราทําอะไรสำเร็จใหม่เนาะมันก็แล้วก็ภูมิใจมันก็ดีใจมันก็พอใจมากเลยแต่พอทําไปได้เรื่อยๆเนี่ยก็ริจมเป็นเรื่องเคยชินเป็นเรื่องธรรมดาแหะแต่การคอนเทนต์มันก็ถือว่ามาผูกทาง สุทามนี้แง่ไหนก็คือพอกิเลสเกิดขึ้นมามันรู้ทันรู้ทั น, นไไแล้วไม่เผลอไม่ไหลไปนี่แหละเออมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทได้นะแต่ก่อนเราคิดว่าความคิดไม่ดีความสมมตไม่ดีแต่พอเห็นเช่นนี้มันดีนะดีดีแง่ไหนดีในแง่มาให้เราได้เรียนรู้มาให้เราได้ศึกษานะ นะไม่ว่าจะเป็นมันมาในตอนที่เราทําในรูปแบบก็ดีหรือมาตอนที่ไม่ได้ทำในรูปแบบก็ดีนะี่ยมันก็ไม่ต่างกันเนาะนะเราต้องเจออยู่แล้วนะเราอยา่าไปคิดว่าเราปฏิบัติในรูปแบบแล้วมันจะไม่มีมันก็มีข้อของเก่าที่เราเก็บเก็บมานี <c> ่ <oughs> รู้เก็บมา 4, 5, 5, 5, 5. กี่ปีปีบางทีอาจจะมาปีชาติก็ได้นะของตอนนี้นี้ถ้าเราต่างีิตวิญญาณก็เรียกว่ามัน 3, 6, 6, 6, 7, 7, สังเกตในจิตจิตใต้สันนิษฐานี้เนาะมันกายเป็นความฝันกายเป็นจิตที่ใส่บางอย่างซึ่งสังเกตไว้เลิ่นนานแล้วแต่กายมาเจตุลติมันจะทําให้ไอ้พวกนั้นโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาถ้าสังเกตไหมเลาปฏิบัติทันทีความคิดของเกาไม่คิดว่าดื่มแล้วก็มันโผล่ขึ้นมานะความจำตั้งแต่แรกเกิดเลยหนรหนึ่งแรกเกิดหนึ่งความจํา คั้แรกนะบางคนหนึ่งสีนะ่ห้าปีนะเขาโผล่ขึ้นมาให้คิดเรื่องราวตอนเป็นเด็กเรื่องราวตอนเป็นนักเรียนเรื่องราวตอนทำงานใหม่หม่มันก็โผล่ขึ้นมาเรื่องราวในครอบครัวเรื่องราวกับเพื่องมันก็โผล่ขึ้นมาหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่สําคัญมันก็โผล่ขึ้นมามันเป็นอะไรอ่ะมันไม่มมมเป็นอะไรนะมันเป็นของนะมันเอง เราไม่ได้อยากเห็นคิดนะมันคิดของมันเองนะมันคิดเพราะอะไรเพราะมันเก็บไว้ในจิตในใจเราไม่รู้ตัวแต่มันโผล่ขึ้นมาเนะี่ยเพื่ออะไรถ้าเราไม่มีสติเราโผล่ขึ้นมาเราก็จะจเกิดความปอยใจไม่พอใจแต่ถ้าเรามีสติมันมันโผล่ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เตรียรนะเพื่อให้เราได้ชำระตรงนั้นออกไปจากใจ ถ้าเราเห็นว่าเป็นมีนแค่ความคิดถ้าเราเห็นเป็นมีนแค่อารมณ์นไนอะ้พวกนั้นมันผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะเคลียร์แล้วันก็จบจบจบไปแต่ละเรื่องแต่เรื่องแต่ละ ล, ะลาไปมันจะมาอีกคนระับเราไม่เป็นไรเราแค่รู้ทันมันก็วางไปได้คือคล้ายๆว่าไอ้พวกนีน้ถ้าเราจะผ่านก็เพื่อเพราะตอนไหนผ่านตอนที่เราไม่ี ไม่ไม่ให้ท่านะความคิดาาอารมณ์เกิดขึ้นมาเราไม่ให้ท่ามันมันจะผ่านแต่ถ้าเราเรียให้ท่ามันก็เรียนชอบหรือไม่ชอบเขานะนี่มันจะได้ผ่านมันจะวนกลับมาสเก็นไหมถ้าเรื่องราวไห น, นมันเราเห็นเฉยกับมันได้แล้วนะมันก็จะจืดไปมันก็จะออกไปนะแต่ถ้าเรื่องราวไหนเราเรีนชอบอยู่หรือบางเรื่องเราก็ไม่ชอบเนะี่ย มันก็จะวนสมาเนบ่ยมั น, นวนสมาเพราะว่าความชอบก็ไม่ชอบก็คือความอยากได้กับความไม่อยากได้ที่มันเป็นพื้นฐานไม่เกิดอารณ์แล้วก็เกิดความทุกข์ในจิตใจแต่ความเฉยเฉยความปกตินความแค่รู้แล้วก็ไม่ป็นเหน็ดข้ามาเนมันเป็นเรียกว่าเป็นการละปัญหาเมื่อรักปัญหาก็คือ สาเหตุของความทุกข์นะมันจะเห็นตรง น, นี้นะเพราะเรามีสติครับเป็นเหตนนุนะอพอเราแค่รู้สึกตัวกับร่าง ก, กายที่เคลื่อนไหวทีมันติดสี่จังหวะทาเป็นเพื่ออะไรที่จริงการเคลื่อนไหวที่จริงตาที่จริงคือปลุกการรู้สึกตัวเหนะมือเราบางหลังมันมีคนมาขยัาตัวเรียนขึ้นราเนะี่ยเราก็เลยตื่น การเคลื่อนไหวเหล่านี้ต้องเป็นการที่ใช้การปลความรู้สึกตัวหรือตอนที่เราเผลอไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าเราเผลอไีคิดนะก็เหมือนในไทยเหมือนเรามเมอ่าแล้วเรามีคนเรียกเราจะก็เลยตั้งสติมีสติกลับมาไม่ไปอยู่กับความเมื่อไม่ไปอยู่กับความฝันที่จริงการแต่สติคือการแก้ปูุกความรู้สึกตัวแค่มันตื่นขึ้นมาที่จริงจะเรียกอย่างว่า ความรู้สึกตัวมันมีอยู่ของเราอยู่แล้วนะแต่จริงแล้วว่าเราลืมนะเหมือนกับเรานอนหลับนะเราไม่ทัได้ลืมตานะอวัยวะต่าต่างๆก็ไม่เปิดขึ้นมาแต่พอเราลืมขึ้นมาบางความประการเก่งบางเวลาการได้ยินต่างมันก็เปิดขึ้นมาดะงนั้นความหลงตัวก็คือการที่เราไปกินกับเขาบ้างหรือว่าเรารืม ที่จะเห็นสภาวะบ้าการทําสติแบบนี้ก็คือแค่ปลุกปลุกให้มักลับมาปลุกเราเคลื่อนไหวมีสติรู้กับการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือปลมกทารุ้ขึ้นมาหรือใจเถิดเป็นชิพเราต้องมีสติรู้ทันเนีมันก็คือปลุกตัวรู้ตัวอื่นขึ้นมาเป็นจิตเป็นใจเหมือนอย่างที่ะเราเคยได้ยินบาที หลายท่านก็บอกว่าจิตเดินแทบมันมีอยู่แล้วในจิตเราันเป็นทุตทักอยู่แล้วจิตเรามันจิตประคัอนอยู่แล้วหรือว่าที่จริงจะเรียกจิตมันเป็นกปกติอยู่แล้วอันนี้คือสภาวะธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะอ่าหรือบางทีอาจารย์ก็ต้องบอกนิพพานะมันมีอยู่แล้ ว, วเขาไม่ยอมบอกชัดเจนนิพพามนมีอยู่แล้วนิพพานไม่ใช่ว่าเราสร้างขึ้นมา แต่ ม, มีอยู่แล้วแต่เป็นว่าเราดึงเรือสภาวนะะนั้นดึงเรือสภาวะนิพพานสภาวะผู้ท้าสภาวะจิตเดินแท้สภาวะปกติของจิตไปมันมีอยู่แล้วนะแต่ตอนที่มันหลงไปคิดเราคิดเผลอไปนะคือมันถูกข้องนามนะเหมือนสภาวะที่ถูกเม่บอกระลางนะอันนี้มันถูกข้องนาแต่ถ้าเราปีตย มันจะปัดเมฆหมอกนั้นไปนะมันจะตตื่นขึ้นมาช่วงขณะก็คือขณที่จิตมันกลับมาอยู่กับสภาวะปกติจะเรียว่าสตาละภูมิทางก็ได้สภาวะนิพพานก็ได้มันมีอยู่ของการอยู่แต่เพราะกิเลสเาจะทุ่มป็นอย่นะอย า, า, อยางมากขณะที่โกรธนะมันมีความไม่โกรธอยู่ขณะที่โง่ก็มีความไม่โงอยู่ขณะที่ทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่ มันอยู่คู้คู่กันันแหละนะมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้ไปหาที่ไหนนะถ้าเราอยู่ในความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์ถ้าเราดูดีๆนะเราจะเห็นนะแต่ถ้าเราดูไม่ดีเราจะเป็นทุกข์ขณะที่โกรธนะมันไม่ใช่ต้องโกรธหน้าดคำค้อเครียดแต่ถ้าเราเห็นความโกรธเออ ม, มันความไม่กลัวก็มีอยู่นะ แต่ถ้าใจเฉลี่ยมันจะเห็นว่าที่จิตในทุกสภาวะมันมีสภาวะที่มันได้เปลี่ยนกันก็ได้แต่ถ้าเราขาดสติมันเลยเข้าไปเป็นแต่ตอนนีติเป็นผู้เห็นพอเห็นแล้วมันมีภูมิปัญญามีน้อยคือตรงนี้เนาะจิตที่ปกติมันคือตรงนี้เนาะจิตที่เบิกบานมันคือตรงนี้เนาะพอเราเห็นในด้านตรงนี้ มันจะเกิดความเข้าใจว่าเขาจะเรียว่าจิตเดิมแท้ก็ได้เรียกว่านิพพานน้อยแค่ได้เรียกว่าผู้ดูก็ได้มันมีอยู่มันอยู่ในใจนี่แหละนะก็อยู่ในใจเดิมแท้ใจบริสุทธิ์ใจปกติของเรานี่เองนะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะบอกกับเอสมอนะบอกว่าการหาธรรมะนี่หาในกายในใจของเรานี่เองนะมันมีอยู่แล้วนะ แต่กายกวามสอบยาวานาขึ้นขอเรามีอยู่แล้วหรือหลงพระเทียนท่านพูะเชิญนะบอกว่าการจะแสดงหาธรรมะจะแสดงหาครูบาอาจารย์เนี่ยจะไปหาที่ไหนไม่ใช่ี่เที่ยวตามหาตามวัดต่างๆตามครูบาอาจารต่างๆหรือจำหรือตามตํามหักต่างๆแต่ท่านนี้ตามหาเป็นกายในใจของเราที่เองเรามาดู ความมีทุกข์ที you know, right, inches, <that> <not dangerous>. ่จะมีอยู่แล้วนะฮะผิดแต่ว่าเราแค่ตั้งความรู้สึกตัวขึ้นมาตอนตอนสังเกตุตอนที่เรารู้สึกตัวจริงๆเนี่ยมันทุกอะไรไหมใช่ไหมไม่ต้องไหาตอาไม่ทุกข์ที่ไหนใครนะตอนที่เรารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวตอนแล้วท่าที่เรารู้สึกตัวตอนที่ใจเถื่อนคิดก็เรารู้ทันนีมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะอันนี้แหละคือสภาวะนะ ที่มันปากปรที่เราเห็นเนี่ยอย่างแก่ชันอย่างแก่แจ่มเราปิดแต่ว่าทําให้มันปากปรไอยกนะเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะรักกีเลยได้แบบทารวนนะมันจะมีความหลที่จะคอยจอนเข้ามาอยู่เสมอเะฉะนั้นความเขียนก็ได้เป็นสิที่ต้องทําให้มันเยื่อเยินขึ้นนะแม้เราจะทําได้แล้วแม้เราจะรู้แล้ว แต่วันข้างหน้าหรือเวลาข้างหน้ามันก็จะเกิดความคิดเกิดเราลงเกิดความทุกข์จอดเขมาอีกนะถ้าเราไม่มีสตินะมันก็จะเข้าไปเป็นเหมือนเดิ ม, มนะนั้นความจริงคือทำให้มันต่อเนื่องอะไรที่มันดีแล้ ว, ลวเราก็พัฒนานะให้มันดีขึ้นนะให้มันบางทีมันก็ดีระดับเดิน่ะแต่บางทีเราก็ต้องพัฒนาให้มันเร็วขึ้นนะนะเหมือนนักกีาบีงทีเล่นเป็นแล้ว ถือว่าพอไหมมันก็ไม่พอเพราะว่ามันยังไม่เก่งอาจจะมีคนที่เก่งกว่าเราถ้าจะเปรียบเทียบกับการพัฒนาจิดมันก็เหมือนตัวสติกับตัวกิเลสของลมเนี่ยมันแข่งกันอยู่นะมันแข่งไปเนี่ยนะมันตอนไหนที่เราเกิดนะกิเลสมันแทรกเข้ามาเรยวมากนะบางคีถ้าเราขนาดที่เราย่เมื้อจิตใจยังไหวบางทีการขณะที่อยู่บางทีควาิดก็แทรกเข้ามาแล้วนะ เร็วมากนะทีตื่นตาเดินจมกอมอยู่นะพอตาเห็นอะบางอย่างมันไหลไปได้นะอันนี้เราห้ามไม่ได้นะแต่ถ้าเราผิดสติเราจะเห็นทางไหลไปของใ จ, ใใจเห็นนั่งใจไหลไปทางตาพาทีใจก็ไหลไปทางเสียงพาทีใจก็ไหลไปทางจมูกนะมีอาหารขึ้นม า, ม า, า ไ, ไ, ได้กลิ่นมาแล้วใจไหลไปแล้วได้กลิ่แล้วเกิดความ อยากกิดหรือความไม่อยากกินหรืเก e <şeyler. S 2> ิดความคิดถึงมันเป็นอะไรนอเนี่ยคือเป็นเรื่องมองใจลอยเมื่อเรารีสติเยอะเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันไม่อยู่ที่จริงๆนะเนีความโงมันมันไหลไปกับความโงต่างๆเยอะมากแต่ถ้าคนที่มีสติดีจะเห็นว่ามันมันดีที่เห็นใจลอยเนี่ยมันจะเห็นว่าที่จริงใจมันไม่ได้อยู่ที่ มันจะนั่งหลงไวมากคอที่มีสติทำงานสิ่ที่จะเห็นว่าก็มันเถื่อนบ่อยมากเถื่อนไปไวมากดังนั้นเวลาปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่จิตเราจะยิ่งเสงบราบเรียบไม่หวัดไหวนะไม่เป็นอะไรตลอดไม่ใช่แต่วันไหลไปมานงไปเรารู้ทันมันจะกลับมารู้ทันกลับมารู้ทันแล้วก็ตึงมาตึงมาไปไวไปมาเลยเนี่ย ท่านคนที่จะดีๆจรจะเห็นความโง่ความไหลเยอะมากนะอันนี้ยมันเป็นตัวปัญญานะมันเป็นตัวพัฒนาทำให้จิตมันเขาเรียกว่าเดินปัญญานะเดินปัญญาคือการเห็นความจริงไปบ่อยนี่แหละนะคือเราเป็นประเทศบัวไม่รู้เราที่ตามเราที่สี่หรือเปล่าไมนรู้นะนะมันต้องเห็นย้อนไปบ่อยนะบัวเราที่หนึ่สองคือเห็นไม่กี่ครั้งเท่านัเข้าใจนะ เหมือนที่ตพุท ก, การนะหรือคนที่เข้าเคยทำง่ายๆทีฟังทำแล้วเกิดเห็นความจรตามทานั้นก็ก็มีผลแต่หลายหายคนก็ต้องแบบเห็นย้าเห็นย้ำเห็นย้ำบ่อยๆให้เข้าใจเนาะเหมือนเหมือนกับพวกเราอะ่ะบางทีก็ต้องใส่ความเขียนยนี่นะเหมือเราจะเรียนภาษาต่างประเทศอะ่ะเราก็ต้องคล้ายๆเราก็ต้องท่อง ตับไปว่อยต้องตับไปบ่อยฟังไปบ่อยมึงจะเข้าใจนะแต่บางคนเขาเกิดมาแบบภาษาแนวแนวเออมันฟังมันก็จําได้ในชีวิตประจำวันของเขาแล้วบางทีเราก็ต้องมาใส่ความเหพียรในการการตื่นจิตบ่อยบ่อยด้วยการทําให้มันเห็นบ่อยเห็นเพื่ออะไรเห็นเพื่อให้จิตมันเปลี่ยนเห็นเพื่อให้จิตมันยอมนะครับนะที่จริงจิตมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นความไม่เที่ยงบ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่บ้างเห็นว่ามันบรรพช์ไม่ได้บ้างนะที่จริงเราก็รู้นะเราก็เห็นอยู่บ้างแต่มันยังไม่เห็นถึงขั้นจิตมันเปลี่ยนแปลงการทําความเพียรการฝืกไปก่อนคือเห็นจนนักจิตมันเปลี่ยนมัาถึงเรียกว่าทํทาทได้จริงเนาะเอ่านะนะมันเป็นทักษะที่เราต้องพัฒนานะเพราะว่า ต่อไปนะครับเราก็ไม่แน่นอนนะจะเจออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมามันมีทั้งที่จะหลงเป็นเยอะนะแม้แต่การเจิอสติเองก็ดีนะความหลงอ่ะบางทีมันจะไม่เห็นขึ้นเรื่อยๆนะบางทีมก็หลงในบุญนะหลงนะเป็นบุญอะไรหลงในความสุขความสบายนะบางทีก็หลงในความรู้นะรู้อะไรรู้เห็นอะไรก็เป็นธรรมะไปหมด เข้าใจไม่หมดนะแต่ฌานไม่หมดแต่บางทีมัก็หลงไปคิดหลงไปเท่หลงไปอยากจะสอนก็อื่นอยากช่วยคนอื่นจะดึตัวก็มีทางหลงนั่นไอ้ต้นแเราที่เ็นดีแต่จริงคนที่เป็นิดเป็นมันหลงไปละพอหลงก็ง่ายจะจื่อารมณ์ในใจเริ่มจืดไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยบางทีเรา สมรรถจิออกนอกนะไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาธรรมะอย่างแตกฉานหรว่าอยากจะไปบอกเป็นปคนคอื่นหรือโงนไปเห็นอะไร ด, ดีก็ทําไปหมดนะจะลืมตัวนะแต่ถ้าทําแบบรู้ตัวไม่เป็นไรนะอาการเนตมาพูดนะมันเป็นาา อ, า, า, อานม์สภาวะหนึ่งนะสัปดาหาอริยมิจฉาสนื้ว่างมิจฉาญาณบ้างปาิฏยานบ้างในพวกนี้หรือบาที ไม่มีเพราะว่าใอ้เป็นบุญที่เออเป็นเป็นมาเป็นเทวบุตรประ ม, มาก็คือมาที่ทําให้เราหลงกับความสุขนะหลงกับความดีนะบางคนปฏิบททัติธรรมนู่อยากจะช่วยว่าวเอือเดือนนะทํานั่นทำนี่เยอะแยะมากมายนะ <c oughs> แล้วก็ลืมปฏิบัติที่อยากจะช่วยนะแต่ลืมเลยต้องปฏิบัติอยูน่นะอันนี้ก็เป็นภูะวัติศาสตรอย่างหนึ่งเนาะนะ เขาู้ที่ฟังไว้นะก็ขเข้าใจบ้างไม่เข้าใบ้างไม่เป็นไรโอนนะไม่ต้องเป็นสนใจมากผููที่ฟังเฉยๆนะให้ให้เราเห็นว่าทางเป็นทางไปแบบนี้แล้วก็วิธีการไปเป็นแบบนี้แต่คนทำเองดีเป็นเรื่องเฉพาะของเราเนาะอย่าไปไม่ต้องไปคิดกังวลร่วมหน้ามากนะแต่เป็นการเตือนไว้พอเรา เ, า เ, ราเนนะตือนทางแยกก็เจอนตรงนั้นแต่จะได้เราใช่ไี่เราโกรธอยู่ไหมนะ เราลงบ้าคุณไหมเราหลงบ้าปัญญาไหมเราหลงคิดแต่อยากจะช่วยคนอื่นไหมืหรือตัวเราเองหรือเปล่าเนี่ยมันจะได้เป็นควรเตือนบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่ก็หลงไปบ้างแหละแต่หลงไปแล้วด้กลับมาได้เร็วหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องถ้าเรากลับมารู้สึกตัวไปบวมันก็จะกลับมาได้เร็วนะนี่เป็นทางที่ที่เราต้องเจอที่เราต้องผ่านสำหับผู้ที่ ถตั้งใจปฏิบัติจริงๆเลยนะออก็จะผ่านนะเออมันก็จะเจอพวกเนี้ยแต่ถ้าพวกปฏิบัติไม่จริงนะจริงๆก็จะเจอในระยะแรกแหละเจอง่วงบ้างเจอเบื่อเบื่อบ้างก็ไม่ผ่านไปอย่าลับนะทำวนๆเป็นเบียนแบบนี้แหละนะแต่ถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะอาจจะมีนักปต่ดีอยู่บ้างแต่มันไม่ใช่ศิลปะแล้วะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะมองเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่อง อะไรที่มันหนักหนาสาหัสอะไรเลยนะเป็นเรื่องธรมรมดานี้ก็มีไม่เป็นไรแต่ไม่ชเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องหนักแล้วนะมันก็จะผ่านไปเนะนี่ยๆนี่คือทางในการเจญสุติที่พระพุทธเจ้จาหรือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทําตรงนี้แหละจริงๆนะมันจะเกิดมันจะเกิด น, น, น, นะความไม่ทุกขนะ์นี่ยมันปรากฏได้ทั้งในปัจจุบันนะก็ความไม่ทุกข์จะปรากฏได้ ก็คือถ้าเราทำในมที่สุด น, นะรักตระหนักอุปทานต่างเป็นอย่างกิดใจได้เนี่ยคือมันคือมันคือทเป็นสู่ธรรมชาติคืนกลิ่นตามไปสู่โลกนะะแต่ก่อนมันเหมือนไ่ต้ตอนเนี่ย <c oughs> เราคิดว่านะสมนั้ น, นแกเอาสอไปคือการจับใจนะเราก็พย า, ายามรักษาดูแลกังห้องคิดว่าเป็นของของเรา จิตมันไม่สะอาดก็ต้องทําให้มันสะอาดจิตไม่ดีก็ต้องทําให้มันดีร่างกายเจ็บก็ต้องรักษาให้มันไม่เจ็บเราเหมือนเราต้องประคองเขาะเราต้องรักษาเขาแต่ข้อสุดท้ายมันใช่ๆคอมเห็นว่าเท้พวกนี้มันเป็นทุกข์ไอ้พวกนี้มันมันไม่เที่ยงไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ตัวของเราเรากวานมนได้แต่ถ้าวางแบบอยังไม่ตายเ้ก็อยังใช้มันอย่นะ พยาามใช้ได้หรืใช่อะไแต่เราไม่ใช่ประกอบแบบแบกมาตลอดนะเราเรจะรู้จักตอนไหนจะใช้ตอนไหนจะต้องคิดก็ใช้แก้วความคิดามันคิดปูแต่งโครงงานภูมแต่งอะไรต่างๆพวกต่างๆก็ต้องใช้แก้วความคิดตอนไหนต้องใช้ร่างกายก็ต้องใช้แต่ละแก้วร่างต้องใช้เป็นประจำอะไรนะแต่ตัวความคิดมันจะรู้จักฝากบ้าง มันไม่เฉยคิดตลอดต้้งเสอารมตลอดมันจะไม่ไม่ถือตลอดแต่ถ้าคนหลงเนี่ยก็จะถือตลอดถือตลอดไปไล่แฝงมันตลอดแฝงว่าเป็นเราแบบก็เป็นของของเราบางทีไปแฝกแก้วมือเลยนะพอนี้สุเนศของเรานีคือนู่ของเรานะนี่คือพ่อแม่เาึ่งพอเขาสุขเขาสุขแล้วก็ไปแฝงเขานะแต่คนอื่นเนี่ไม่แฝตลอดนะมันแฝงตอนที่ เราเป็นที่เราเป็นหัวเราเป็นตัวแทนเขามันก็เลยบอกว่ามนุษย์เรามีขันห้าขันเนี่ยก็เพนะไปเพิ่มขันอีกห้าขันไปเพิ่มขันอีกเป็นสิบขันเป็นสิบห้าขันเป็นยี่สิบขันเนาะในการมีครอบครัวในการมีภลังเพ่มแต่ถ้ามีแล้วเห็นว่าเป็นคนละส่วนกันนะนะแต่เราก็เกี่ยวข้องชื่อเหลือเขาในตอนที่จําเป็นตอนที่ เหมาะสมก็ไม่ใช่เรื่องผิก็เหมือนเราไปใช้ใช้แก้เรื่องนี้ไกช่วยเติมความรู้ให้คนแก้เรื่องนั้นการแก้เรื่องนั้นเขาทุบเราก็ไปช่วยทำให้เขามีสติกลับมานั้นก็ได้ก็ใช้เป็นขณะเป็นขณะไปเหมือนเราใช้กายใช้ใจของเราที่แหละนะเราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยป่าท่านเลยว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงๆว่ามันไม่ใช่ตราจริงๆล้วก็ไม่ดูแลไม่ดับตาก็ไม่ใช่ เรายังต้องใช้ใช้เหมือนจะใช้เราจะหายเองเราก็ต้องใช้แก้วน้าเพื่อลองนำน้ำมากินน้ำเพราะจะท่าเกียรติที่ว่าเหมือนเราเหมือนเราจะข้ามปากข้ามบ้านะเราก็ต้องใช้เรือเราก็ต้องมีเรือแต่พอเราไม่ติดป้าขึ้นป้าเราก็ไม่ใช่แบกเรือขึ้นไปด้วยอันนี้คือเราเลยต้องใช้กายใช้ใจนี้น่ะเพื่ออะไรเพื่อการปฏิบัติธรรม ถ้าเราไม่มีกายก็จะิบัติไม่ได้นะอืมถ้าเราไม่มีใจเ อ, ย ง, องก็ไม่ได้เหมือนกันนะนั้นเราใช้การใช้ใจเนี่ยที่อะพื่อข้ามฟ้านะนนใช้มันแต่ใช้อย่างอย่างรู้ทันมันว่าพอเราถึงแล้วเราได้ยินมันนะนะหรือขณะที่เราใช้เราก็รู้ว่ามันมันเป็นของที่ไม่เที่ยมมันต้องรักษาดีๆ น, น, นะเราต้องประคอง ม, มนองนองันเนาะอย่นั้นเราก็ใช้เขาเนะ่ กายใจก็เหมือนกันเราไม่ใช่ปิทธิวัตธรรมเพื่อให้กายมันหยุดต้องอยู่คงคนตลอดไม่ใช่ฝึดว่าใจนี้มันต้องติดไปตลอดนะทุกตักตึ๊ชาตินะแต่เราใช้เพื่อให้เห็นความจริงในชีวิตนะเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วมันก็พราะตื่นเก็ว่านัก็คือว่างนะนี่นะคือเราก็ต้องเกิดมาในชีวิตนี้แล้วก็ใช้มันเป็นขี้นะในทางที่ดี ในทางที่พัฒนาจิตที่มันพ้นจากความทุกเนี่ยใช้ในการที่เราเอากายใจนั่นมาเจริญสติเจริญปัญญาเจริญนอมเราใช้กายใช้ความคิดสมองใช้จิตใจเราในการเจริญทางรูปเนี่ยเยอะนะเรียนหนังสือมามากอ่าทำการทั้งนมาเขมากเราไปใช้กับการนี้บ้างได้ไหมนะพามาเคยเคยถาม ยาโยทีวันถ้าเรามีคนคนหนึ่งที่เรานับถือมากแถ้าเราบอกว่าในห้องหนังแนทตรงห้องนั้นเนี่ยมีเพจเม็ดใหญ่มากมเม็ดหนึ่งเนี่ยขนาดเนี่ยโยจะ ห, า, หาไหมค น, นที่น่าเชื่อถือมากบอกมีเพจในห้อ ง, น, งนั้นโยจะหาไหมหาหรอใช่ไหม ห้องแค่นี้มันก็ไม่ได้กวามใหญ่มากเนาะใช่ไหมนี่หาเราก็อาจจะซื้อเอาไปขายนะได้ราคาอยู่สบายทางโลกนะทางกายอันนี้ถ้าเราเกี่ยวเทียบว่าทางโลกเนี่ยเพชรคือสิ่ที่มีค่าที่สุดใช่ไหมเราก็หามาเพื่อแลกกับสิ่งเงินทองแต่พระพุทธาบอกเนียทางธรรมเนี่ยเพชรแห่งธรรมคือธรรมที่มีค่าที่สุด ก็ไม่อยู่ไม่ได้กว้างกว่าร่างกายจีตใจของเราเลยถ้าบอกมันอยู่ในกายใจของเราที่เองแต่จะลองใช้ทักษะที่ค้นหามันจะไม่เจอละลองดูไปบวอยๆดูสิตัองเเกะไปบ่อยๆดูสินมันจะไม่เจอละห้องนี้ยังกว้างกว่าร่างกายจิตใจนี้เลยนะถ้าเราลองดูว่าพระเจ้ากระโจนโผล่มาให้มันแคบๆ หาในใจใจของเรานี่เองหรือเห็นจากที่อื่นก็ย้อนกลับมาถึงใจของเรานี่เองนะมันจะไม่เจอเหตุแห่งธรรมที่มัอยู่ในใจของเรานี่เองนะดูดีนะถ้าเราลองใช้ชีวิตทำชีวิตในการต้นหาปัจจัยธรรมเนี่ยมันจะไม่ได้อแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบธรรมดาแบบเพลินๆในกับโลกขยันคิดแต่เมื่อไก็ไปมาหาแพอคีดเกียดจะลืมไปหลายวันหลายเวลาเนี่ะ มันก็หาไม่ได้เจอครับก็มันจะงลงมันจะสกปรกขึ้นเนรื่อยๆแต่ถ้าเราหาไปบ่อยเจอไปบ่อยจิตก็จะสะอาะาจิตก็จะนิ่งขึ้นมันก็จะเห็นว่าเออเพชรหรือพุทธท้าวเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ในตอนที่วางใจแบบไหนบองทีมก็อาจจะ ม, มีอยู่แล้วนะแต่เราอจะยังไม่แค่กระจัดมัน อนะคือเห็นมาแล้วแต่มันยังไม่ใช้ได้ตลอดแค่แคนะ่นั้นลองดูเนาะนะคิดเราเป็นสิ่งที่มีค่ามากเนะี่ยแล้วแต่การทำความจริเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หาในชีวิตเรานี่แหละหนะาในกายในใจนี่แหละนะสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็ปรากฏขึ้นอยู่แล้ ว, ลวนะั่นแหละจะต้่าทําให้มันเยอะๆขึ้นเหมือนกับเทปมันยังไม่ได้ขาดยังไม่ได้เกียรนนะ์ใน มันก so, ็จะยังไม่เป็นประกายอย่างเต็มที่การเจริญติมันจะทําให้เหมือนกันกลับมาค้นหาเพชรในกายในใจของเรานี่เองหรือว่ากลับมาเกี่ยร์ในเพชให้มันสถานซึ่งให้มันเป็นประกายขึ้นนะเพชรจิตมันจะค่อยๆบ่อยเฝ้นเรื่อยๆเนาะทําตรงนี้แหละนะถ้าเราจะเห็นว่านตรงนี้แหละคือคุณค่าของการที่เราไเกิดมาะเป็นมนุษย์นะ เป็นคุณค่าที่เราได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคุณค่าที่เรายังได้ยินกลาได้เจนตามทางที่ตรงที่สุดนะทางมหาปฏิปทานเนอร์สูนเนี่แหละคือทางที่ตรงที่สุดหลัที่เราทำให้เราออกจากความทุกข์ไม่ต้อเตะอ้อมเสียเวลาเสียเวลาที่ไหนถ้าเรากลับมาเรียนรู้ดูกายดูใจคือเป็นทางที่ตรงที่สุดนะให้พวเราเป็นตัวอย่าง ตั้งใจทำเนาะแต่ในรูป แ, แบบก็ดีนอกรูปแบบก็ดีนี่ยทำได้เช่นนั้นแต่นะถ้าเรามีสติจับกายเคลื่อนไหวมีสติรู้ทันใจที่คิดนึงเนะี่ยจะอยู่ที่ไหนกายใจก็ไปที่นั่นนะแต่ฉะนั้นการมีสติก็เลยทําได้ไดตลอดเวลาทนนั้งทั้งที่นะนะอันเนี้ยเป็นเป็นตักสําคัญของการปฏิบัติ